ที่ควรตั้งไว้ในใจสี่หนหนึ่งสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจอันหนึ่งคือปัญญาสอง ส, สัจจะ3าจากขะสอะไรนะอกปะสมะคำว่าเ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 ตั้งไว้เพื่อปรมาทสัจจะวจีสัจจะอันนี้หมายถึงอธิศีและสิกขาไนงะว่ามีอธิศีละสิกขาตั้งศีเนี่ยเพื่อพระนิพพานนั้นก็กุศลธรรมที่เจริญเนี่ยนะโน้มตั้งไว้เป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนั้นคําว่าสัจจะตรงตรงหมายถึงวจีสัจจะแต่วจีสัจจะ น, นี้เพื่อ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 เป็นลักษณะภาเวตประธรรมเป็นภาเวตประธรรมจาคะเป็นปหาตประธรมรมเนี่ยนะปหานะเป็นธรรมกล่าวถึงธรรมที่ควรละแล้วก็อุปสมะ เ, เป็นสัจจิกาตประธรรมควรทําให้แจ้งเพราะไรเพราะปริญญาธรรมก็ได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่แรก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 คือช่วงหลังมาเนี่ยมันเป็นการเอามาย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าก่อนที่จะมาดูการเอามาย้ำในตอนท้ายเนี่ยมาดูคาําอธิบายอีกครั้งหนึ่งในหน้าสามร้อยหกสิบเจ็ดย่อหน้าเออไม่ต้องย่อหน้านะบอกว่าปฏิฐานะที่เรียกว่าอธิฐานในบทนี้ว่าจตุราธิฐานโนความว่ามีอธิฐานสี่มีอธิบายว่าดูก่อนภิกษุ บุรุษนั้นมีาธ 6, มาตุมีภาษะมีภาษาภัายตนะหมีมโนปวิจารสิบดังนี้กุลบุตรนั้นเวียนกลับจากาธาตุนี้เทียวถือเอาอารหัตอันเป็นสิทธิที่ทสูงสุดดำรงอยู่ในฐานะสีน่นี้ถือเอาพระอรหัตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีอธิฐาน4ประการเพราะอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะคือปัญญาสัจจะจะฆาอุปสมะเนี่ยนะจะเป็นคุณธรรมที่จะทาให้สาเร็จเป็น พระอรหันต์ทั้นก็อธิษฐานธรรมเหล่านี้จะทำให้เป็นพระอรหันต์บทว่ายัตถิตังได้แก่ดำรงอยู่ในอธิฐานธรรมเหล่าใดแล้วก็ไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนเป็นตปเป็นต้นเนี่ยนะมุนิสันโตติวุจติมูนีผู้พระขีนาศพเรียกว่าผู้สงบแล้วดับแล้วทันผู้สงบอย่างแท้จริงผู้ดับอย่างจริงก็หมายถึงพระอรหันต์ทีนี้คาที่ที่กล่าวเมื่อกี้ว่า ก็ข้อที่เราเกล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญานะในข้อ683ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าที่ผู้การพูดว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูณจคะพึงศึกษาสันตินั้นซึ่งพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาคําว่าปัญญาเป็นชื่อของอะไรนะสมาธิปัญญากับวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะ ที่ในหน้า367อยห่อนหน้าที่บายว่าบทว่าปัญญังนับปัจฉยะความว่าไม่เพึงประมาทสมาธิปัญญาและวิปัสนาปัญญาตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อแทงตลอดอรหัตผลปัญญานะนก็ต้องเป็นการเจริญพวกนี้เพื่อเจริญสมาธิและวิปัสสนาก็เพื่ออรหัตผลนะไม่ไม่ไม่ต้องหลงประเด็นนะ่ัน บทว่าสัจจะมนุรักษัยยะความว่าเพ่งรักษาวะจีสัจจะตั้งแต่ต้นเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งประมัถสัจจะคือนิพพาน <Okay. S 1> คำว่าวะจีสัจจะตัวนั้นเนี่ยนะคือหมายถึงการชำระศีลบางอย่างนะคำอธิบายบางส่วนเนี่ยเอามาโน้นโมาจากดีกาบ้างนะมันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอามาจากไหนบ้างานะบอกที่มาหมดเดี๋ยวเวียนหัวไปหมด เ, เน้นอธิศีลเนี่ยนะ วจีสัจจะนี้หมายถึงการชำระศีลก็คืออธิศีลที่เพื่อกระทำให้แจ้งประมัทสัจจะคือนิพพานบทว่าจาฆามนุโปรหยะความว่าเพ่งพ่อพูนการเสียสละกิเลสตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อทำ เ, ออเพื่อการสละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัต ม, มคัติคําว่าสละกิเลสตั้งแต่ต้นหมายถึงแต่ทางฆาประหารวิขมพนะประหารใช่ไหม สละกิเลส ต, ตั้งแต่ต้นด้วยทางข้าประหารวคิคัมพะนาประหารสละกิเลสทั้งปวงก็เป็นสมุเทเฉทประหารระดับอรหัตตมักนนะบทว่าสันติเมวโสสิคยะความว่าพึงศึกษาการสงบระงับกิเลส ต, ตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อสงบระงับกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมัชก็ น, นนะเพราะว่า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 สงบกิเลสโดยสิทธิ์เฉตอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นสมุทเฉทประหารอย่างเดียวปฏิปัสสติเป็นชื่อของสามัญญผลนิสารณะเป็นชื่อของนิพพาน <Okay. S 1> ก็ด้วยอรหัตตมักอรหัตตมักเนี่ยมักว่าเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าเป็นสมุทเฉทประหารเป็นสมุทเฉทเนี่ยนะอ่ะสาสละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมักก็เป็นสมุทเฉทประหารแต่ก็อ่า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 ปุบาพาคาที่ฐานทั้งหลายปุปภาคแปลว่าเบื้องต้นอธิฐานแปลว่าทำที่ควรตั้งไว้เนี่ยนะทำที่ควรตั้งไว้เบื้องต้นมีสมถาวิปัสนาเป็นต้นอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุอธิฐานทั้งหลายมีปัญญาที่ฐานเป็นต้นเป็นยังไงแปลเป็นภาษาไทยไทยง่ายๆว่าเจริญสมถาวิปัสนาที่เป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์บรรลุปัญญาที่เป็นโลกุตระอันนี้โดยอัฏฐานนะ มีอธิบายไว้อย่างนั้นไม่แปลกใจเลยทําไมเขาไม่ค่อยอ่านอ่านแล้วเข้าใจยากอย่างี้นะคือไม่รู้ว่าข้างในลึกๆคืออะไรอย่างนี้นอย่างบอกว่าะนะนะอธิฐานเบื้องต้นมีสมถาวิปัสนาหรือว่าปุปภาคาที่ฐานทั้งหลายมีสมถาวิปัสนา ป, ปัญญาเป็นต้นนี้อันนี้หมายถึงสมถาวิปัสนาที่เป็นโลกยะเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะ เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุอธิฐานทั้งหลายมีปัญญาที่ฐานเป็นต้นอันนี้ต้องเป็นโลกุตระพันเจริญโลกิยะเพื่อให้ถึงโลกุตระถ้าพูดอีกในหนึ่ง น, นะก็คืออธิเจริอ ธ, จอ ธ, จออธจิจิตตะศิขาอธิปัอธิจิตตะศิขาหรือจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิ มคามค้าย า, านทัศนวิสุทธิปฏิปทาย า, านทัศนวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ย า, านทัศนวิสุทธิเนี่ยนะแปลว่าเจริญวิสุทธิที่เป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์แก่วิสุทธิที่เป็นโลกุตระนะลักษณะนี้ก็ได้บทว่าปัญญาที่ฐานโนเป็นต้นเพึงทราบด้วยอํานาจแห่งปัญญาทั้งหลายมีอรหัตผลปัญญาเป็นต้นที่กล่าวแล้วในบทก่อน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 เป็นต้นด้วยประการชนี้ถามว่าในบาตรคาทานั้นน่ะใครประมาทปัญญาใครไม่ประมาทปัญญาน น, นประมาทสมาธิปัญญากับวิปัสนาปัญญาเนี่ยใครประมาทใครไม่ประมาทตอบว่าบุคคลใดบวชในาศาสนานี้ก่อนแล้วสําเร็จชีวิตด้วยอเนสนา21มีการรับใช้คารวาสเป็นต้นนั่นแหละด้วยอํานาจกรรมมีเวชกรรมแปลว่าไป แ, แย่งอาชีพหมอทำอย่างี้นนะ ไม่อาจาเพื่อตั้งจิตตุบาทโดยสมควรแก่บัญชาบุคคลนี้เชื่อว่าประมาทปัญญาบวชเข้ามาแล้วเนี่ยทำแต่ปรุงแต่ยาเป็นต้นเน่ยนะก็ไปทำกิจที่พระพุทธเจ้าตำหนิหรือว่าผิดพระวินัยทั้งหลาย น, นะมีเช่นรับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับบวชเลยนั่นนะใครมีลูกมีหลานเอามาฝากที่นี่นะอย่างเงี้ยเพราะพื่นนี้ก็ไม่สมควรใช่ไมพวกนนี้แหละเรียกว่าผู้ประมาทปัญญา บุคคลใดบวชในศาสนาแล้วตั้งอยู่ในศีลเล่าเรียนพระพุทธพจน์สมาธานทุดงอันเป็นที่สปายะถือกรรมฐานอันชอบจิตหมายคือว่าเหมาะกับทยาศัยเนี่ยนะอาศัยเสยนาสนะอันสงัดกระทากะสินบริกรรมยังสมาบัติให้เกิดเจริญวิปัสสนาว่าในวันนี้แลจากบรรลุผ่าหันเที่ยวไปบุคคลนี้ชื่อว่าไม่ประมาทปัญญา พวกนี้ก็มุ่งเจริญอธิสีและสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขามุ่งอรหัตผลอยู่ทุกวันเนี่ยนะเรียกว่าผู้ไม่ประมาทปัญญาแต่ถ้าทูตศีลเป็นต้นเรียกว่าผู้ประมาทปัญญาเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะนะก็เจริญเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้เดี๋ยวอายุมากๆก่อนแล้วค่อยมาเจริญก็ได้เหมือนกันนี้ประมาทปัญญามากแต่ในพระสูตรนี้ได้ตรัสถึงความไม่ประมาทปัญญานั้นด้วยอํานาจแห่งธาตุกรรมฐาน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 สูตรนี้สูตรเกินร้อยมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนหน้านั้นถือว่าพูดไว้หมดแล้วอันนี้อัตกะฐานะถ้าเรียนโดยมาโดยลําดับก็คิดดูนะมัชชีมนิกายมีกี่เล่มฉบับ ท, ที่เราใช้อยู่เจ็ดเล่มนะเล่มสิบเจ็ดถึงเล่มยี่ิบสามีอยู่เจ็ดเล่มอันนี้มันอยู่เล่มยี่สิบสามแล้วนะบางเรื่องอยู่เล่มที่โน่นอ่ะอยู่เล่มสิบเจ็ดอย่างบางอย่างอยู่เล่มสิบแปด บางอย่างอยู่เล่มส9บกก็ไปอ่านนะก่อนหน้านี้ก็แล้วกันเหมือนกันอันนี้พูดแบบอัตกถานนะของเราก็อย่างนี้แหละเดินหน้ามากก็ลืมหมดแล้วมาจากไหนบ้างก็ไม่ทราบ